บทที่209กองทัพมาของรหัสเสยในที่ล้อมถูกจับเป็นเฉลยเกือบทั้งหมดยึดได้ทั้งมาและอาวุธและถูกควบคุมตัวพันธนาการมัดมือคขว้หลังไว้อย่างแน่นหนาส่วนน้อยตีฝาแหกหนีออกไปได้อย่างชนิดตัวใครตัวมันบางก็เตลิดไปไม่รู้ทิศทางหนีเข้าป่าดง บางก็รวบรวมกําลังบ่ายหน้านี้กลับเข้าเขตประตูเมืองพระนครอันเห็นว่าเป็นแหล่งปลอดภัยที่สุดอดีตมหามนตรีสิงหาราผู้บัตดนี้คือกษัตริย์โชทรราชแห่งมรกรกนครพร้อมด้วยพระอนุชาที่อุปโลกแต่งตั้งขึ้นคือรหัสยะและทหารใต้บังคับบัญชาทั้งหมดประมาณไม่เกินสองหมื่นคนทั้งพลเดินเท้าและทหารมาที่รอดตายจากขุปผามรณะบัตดนี้ กลับเข้ามารวมกําลังกันอยู่ในพระนครหมดสิ้นแล้วประตูเมืองใหญ่หน้าและหลังทั้งสองด้านถูกปิดสนิทแข็งแรงเกณฑ์ทหารขึ้นจุกช่องประจำเชิงเทินพร้อมที่จะรับการบุกเข้ามาของกองทัพประชาชนซึ่งแน่ละทั้งสิงหราและรหัสยะย่อมถือว่าเสียเปรียบกว่าเพราะคูเมืองกว้างและกําแพงเมืองสูงใหญ่โตแข็งแรงนกะ บรรดาข้าราชบริพารและประชาชนชั้นอภิสิทธิ์ที่มีแหลงอาศัยเป็นสุขอยู่ในเขตรประตูเมืองถูกเกณฑ์ให้ถืออาวุธเตรียมพร้อมที่จะรบทั้งหมดนั่นเป็นประกาศสิทธิ์สั่งของกษัตริย์สิงหราแต่อย่างไรก็ตามข่าวการรบนอกชายเมืองข่าวหินถล่มเหมือนโลกทลายและข่าวการกลับคืนมาของยุพ ร, ราชแห่งราชวงศ์เทพแพร่สะพัดไปทั่วในหมู่ประชาชน สร้างความระสำมรสายขวัญเสียกันไปหมดสิ้นแล้วหอกหรือดาบของทหารในเครื่องแบบเท่านั้นที่จี้หลังประชาชนเหล่านั้นไว้ทำให้จำต้องจับอาวุธขึ้นมาและเข้าประจำหมวดหมู่เตรียมรบตามคำสั่งอันเฉียบขาดใครถอยหรือกาแพงเมืองด้านไหนปล่อยให้ข้าศึกบุกเข้ามาได้ด้านนั้นจะถูกตัดหัวทั้งหมดคำสั่งของสิงหราประกาศก็ คนชราสตรีและลูกเล็กเด็กแดงภายในมรกรกนครทั้งหลายในขณะ น, นี้อยู่ในภาวะที่วิง่งวุ่นวาดกลัวจนตัวสัน่นข่าวลือนั้นซุบซิบเซ็งแส่อยู่ตลอดเวลามีผู้คนเป็นจำนวนมากที่พยายามจะเล็ดลอดออกจากประตูเมืองเพื่อหนีภัยสงครามแต่มันช้าไปซะแล้วพระสิงหราและรหัสยะกับบริวารร่วมตายรู้เท่าทันวางแผนสกัดกัน้นปิดไว้หมด บังคับให้รวมตัวกันอยู่ภายในตัวเมืองสถานการณ์ภายในพระนครบัดนี้ตึงเครียดขนาดหนักความหวังของฝ่ายทรราชมีเหลืออยู่เพียงประการเดียวคือถ้ากองทัพประชาชนของจักรราชบุกเข้าประชิดประตูเมืองหาธนุและกรวดใสที่ขั้วไว้ร้อนระอุเหล่านั้นจะระดมโปรยปลายลงมาพอที่จะสกัดกั้นไว้ได้อย่างแน่นอน ต่อให้มีกําลังมากมายสักเพียงไหนสิงหราและรหัสยะมองเห็นพิษสงกรตาตนเองแล้วหน้าผาถล่มทลายลงมาพร้อมกระเสียงกึกก้องกำปนาดจนแผ่นดินสะเทือนและบทขยี้กําลังส่วนใหญ่ของตนตลอดจนความสูญเสียของกําลังทหารอันเกิดจากหน้าผาถล่มนั้นมากมายเพียงไหนแต่ก็มั่นใจว่าเหตุการณ์มันย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ภายในอาณาเขตของมหานครมรกร อันมีกำแพงรายล้อมใหญ่ทะมึนเป็นเกราะกำบังอยู่รอบด้านเช่นนี้มันจะบุกเข้ามาไม่สำเร็จและเราจะรักษาพระนครไว้ก่อนในระยะนี้ในการประชุมแม่ทัพทั้งหมดรหัสสยาประกาศให้กำลังใจแก่แม่ทัพนายกองเหล่านั้นซึ่งก็ไม่มีสิ่งใดมาเป็นหลักประกันได้ว่าทหารฝ่ายทรราชทุกคนในขณะนี้มีความคิดเช่นไรอยู่ในใจ รู้แต่เพียงว่าการประกาศตัวกลับคืนมาของราชโอรสแห่งราชวงศ์เทพในครั้งนี้เป็นไปด้วยพลังฤทธิ์อำนาจยิ่งนักประนึ่งถือเอาประกาศิทธิสายฟ้ามาด้วยฉะนั้นกุตมักกับทหารมากองคนที่หนึ่งมันหักหลังเราสิงหราแผดเสียงตะโกนกึกก้องหน้าสนามชัชทุกคนจำไว้จำไว้ เอาหัวกดตัตให้ได้เอาหัวกด ต, ตให้ได้เหล่าราชครูมาหาปุโรหิตประจำราชสำนักซึ่งยืนสงบอยู่เบื้องหลังก้มหน้านนิไม่มีใครพูดคำใดทั้งสิน้นตลอดระยะเวลาที่สิงหราขึ้นยืนบนลานหน้าปราศาสตรและพูดตะโกนปลุกปลอบใจเหล่าทหารเดนตายพวกนั้น อาจจะมีบางคนที่คิดเถียงอยู่ในใจว่ากุตตมะก็น่าที่จะทำได้ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อจะให้ใครเป็นตัวประกันของเหล่าฉเฉลยนำลงไปในคุกใต้ดินโดยตัดขาดไม่สนใจกับชีวิตของตัวประกันนั้นชันไหนกษัตริย์สิงหาราจึงเลือกเอากุตตมะไปนั่นมิได้หมายความว่าพร้อมแล้วที่จะให้กุตตมะถูกขังตายไปพร้อมกับฉเฉลยหรอกหรือ สิงหราและรหัสยะอระยศ์กับกุตมะก่อนและนะบัตรนี้บุคคลที่ฝ่ายในพระนครกล่าวขวัญถึงด้วยอาการสาบแช่นอนสนิทนิ่งหมดปราณไปแล้วภายในที่แวดล้อมของบุคคลที่รู้คุณค่าในตัวครับแต่แน่ละสิงหรากับรหัสยะยังไม่มีโอกาสได้ทราบ ว่าอดีตขุนพลขวาของวิษณุพรหมนาฏและได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายทหารของตนนั้นได้ถูกอาวุธถึงแก่การแตกดับไปแล้วอย่างเงียบๆ เ, เขามาตายอยู่ในเบื้องพระพักของจักรราษและสหายรักพิสูจน์ในความสัตย์ซื่อที่มีต่อราชวงศ์เทพเป็นครั้งสุดท้ายสร้างความอาลัยรักโศกสลดและเคารพในน้าใจให้แก่ทุกคน โดยไม่มีวันลืมเลือนเชษฐาวราริ์บัตรนี้ใจเย็นแล้วเขาสั่งให้พักพวกกินอาหารกลางวันกันตามสบายจากกองสเสบียงที่จัดมาหาให้และให้ระพินไปเชิญจักรราชอรชุนกับเมยานีมาร่วมด้วยทั้งสามเดินเข้ามายัางซึมสงบและไม่มีใครแตะต้องอาหารเลยขอให้ท่านทั้งหลาย จงกินอาหารกันในอิ่มหนำและสบายใจเถอะอย่าได้เป็นห่วงพวกเราเลยเราสัญญากันไว้แล้วะ่ะถ้ามรกรนครยังไม่แตกหัวของสิงหราและรหัสยะยังไม่ถูกเสียปักอยู่ใจกลางเมืองในเย็นวันนี้เราจะไม่แตกต้องอาหารใดๆทั้งสิน้น ผู้เท่าอรชุนบอกมาด้วยน้ำเสียงเครียดอย่าเอาความตายของกุตมะมาเป็นเครื่องบันทอนทำให้ต้องเพียงพร้ำตอดศัตรูเลยท่านอรชุนเชษฐาพูดปลอบอย่างอ่อนโยนบ่ายของวันนี้นะพวกท่านจะต้องรบหนักอีกครั้งก่อนที่จะตีมรกรนครให้ยับหากท่านปราศจากแรงเพราะไม่กินอาหารอันเนื่องมาจากความโศกเศร้าที่ต้องเสียกุตมะไปเช่นนี้ ท่านจะไม่มีแรงรบนะแต่ไม่ว่าใครในพวกอาคัรตุกะต่างแดนจะพูดขอร้องเชิญชวนมาเช่นไรอรชุนเมยานีและจักรราชก็คงสันศีร่ายยืนกรานปฏิเสธอยู่เช่นนั้นด้วยน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวเปี่ยมล้นไปด้วยความแค้นทั้งสามนั่งซึมดูคณะอาคัรตุกะต่างแดนรับประทานอาหารอยู่เงียบๆโดยไม่แตะต้องอะไรเลย นอกจากจะดื่มน้ำกันบ้างคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นการเห็นภาพกุตมาสิ่งใจไปต่อหน้าต่อตาการนึกย้อนภาพไปถึงเหตุการ์ร่วมรบร่วมต่อสู้เคียงข้างกันมาอย่างใกล้ชิดทำให้จักรราตอรชุนและเมยานีตื่นตันไปหมดณที่นี้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้ง จักรราชเอ่ยขึ้นด้วยสำเนียงเครียดด้วยสำนวนที่ผิดไปจากเดิมถ้าปราศจากอุตมะเสแล้วพวกท่านที่ลงไปติดอยู่ในคุกใต้ดินของสิงหราจะตายกันทั้งหมดและกองทัพประชาชนของข้าพเจ้าก็จะไม่มีวันรบชนะในครั้งนี้เลยอุตมะมีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่น้อยไปกว่าพวกท่านหรือกองทัพประชาชนทั้งหมดที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าในครั้งนี้เลย ความตายของกุตมะเกิดขึ้นเพราะข้าพระเจ้าคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ข้าพระเจ้าเสียใจอย่างที่สุดทําไมนายถึงพูดว่ากุตมะตายเพราะนายละ่ะพระพินเงยหน้าขึ้นถามด้วยใบหน้าอันเศร้าหมองแง่ส า, ายริจาการาชถอนใจเฮือก็เพราะผมลืมนึกไปไงครับว่ากุตมะกําลังเจ็บป่วยยังไม่หายดีนัก ยุพราชแห่งมรกฎนครเปลี่ยนสัพพนามแทนตัวกลับเป็นอย่างเดิมตอบโดยไม่มองหน้าขณะที่ได้ยินเสียงปืนซึ่งนัดแนะกันไว้แล้วว่าให้ถอยนะความจริงผมควรจะนำทหารทั้งหมดถอยมาพร้อมๆกันแต่ผมกลับให้แม่ทัพมาสี่คนนำทหารมาทั้งหมดถอยหนีล่วงหน้ามาก่อนตัวผมเองยังประจันหน้าอยู่กับทหารมาของรหัสยะอยู่และเมื่อผมไม่ถอย กุตมะอรชุนเมญานีและคนอื่นๆที่ใกล้ชิดอีกสองสามคนก็ไม่ถอยพวกเราจำนวนน้อยรบอยู่กลางศึกที่ห้อมล้อมอยู่รอบด้านและหน่วงเหนียวประวิงเวลาไว้คนอื่นน่ะแข็งแรงดีแต่กุตมะอ่อนแรงลงเป็นลำดับในที่สุดเราก็ต้องถอยและถอยมายังหนทางลับที่จะเข้ามาถึงหน้าผาบริเวณนี้ ทหารหมู่หนึ่งของรหัสยะมีจำนวนมากกว่าหลายเท่าโอดกระชั้นชิดเข้ามาและมาทันที่ปากทางจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นอีกครั้งและในครั้งนี้เองที่กุตมะเสียทีถูกลอบแทงด้วยหอกจากด้านหลังโดยไม่ทันเห็นและโดยที่พวกเราคนใดก็ป้องกันไว้ไม่ทันเงยสายเปลี่ยนสายตาไปจับที่ระพินน้าตาคลอพร้อมกับยิ้มให้นิดนึง ตำแหน่งที่เราประทะกันตรงปากทางน่โชคดีเหลือเกินที่ผู้กองกับสุกรีนำกำลังส่วนหนึ่งลงไปทันเวลาทำไมเช่นนั้นผมก็คงจะต้องเสียชีวิตพวกเราอีกหลายคนซึ่งก็อาจจะรวมถึงตัวผมด้วยผมนึกไม่ถึงนะครับว่าผู้กองจะลงไปช่วยไว้ได้ทันยังบุดวิจวนเจียนที่สุดคณะนายจ้างและพรานพื้นเมืองอื่นๆไม่รู้ความจริงมาก่อนบัดนี้หันขวับไปทางระพินเป็นตาเดียว เพราะระหว่างที่พรานใหญ่พระจากหน้าผาลงมาพร้อมกับสุกรีนั้นไม่มีใครทันสังเกตเห็นเนื่องมาจากทุกคนเข้าประจำหน้าที่ ก, กันทั้งหมดระพินผมไม่เข้าใจไปยังไงมายังไงเหรอเชษฐากับอนุชาถามพร้อมกันส่วนดาริงจ้องหน้าพรานใหญ่ของหลอนขม็งอย่างสงสยัยพระจำได้ดีว่าหลอนเห็นระพินยืนมาอย่างเกียจคร้านอยู่บนหน้าผาสูง ก่อนที่หล่อนจะไตาตามพี่ชายลงมาประจำจุดยิงคือตอนนั้นสุกีขี่ม้ามาบอกผมครับว่าจักรราชกำลังนำคณะควบมาหนีเข้ามายังปากทางรับครับระพินพูดด้วยน้ําเสียงเรื่อยๆผมเห็นว่าผมจะยืนอยู่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยชวนกันลงไปจะรับนะครับพอลงไปถึงก็พอดีเห็นจักรราชกับพวกถูกล้อมขยี้อยู่พอดี แล้วยังไงคุณก็เลยเข้าไปช่วยรบกั้นเอาคนของเราออกมาได้อย่างงั้นเหรอดารินถามเร็วปรือผมบอกแล้วไงครับว่าผมน่ยรบด้วยอาวุธสั้นไม่เป็นหรอกก่อนลงไปผมก็เลยอบบาเบลนิ่งออโต้ลูกซองของจันติดมือลงไปด้วยก็เลยได้ซัดในพวกนั้นเสด็จลูกซองกลิ่งไปหมดร่วมยี่สิบคนปล่อยให้จักรราศและพวกพร้อมทั้งกุตมะที่สาหัสพละหนีขึ้นมาได้ เสียงทุกคนครางออกมาอย่างแปลกใจเฉทายิ้มออกมาได้ พ, พึมพำว่าไหวดีหรือเกินนะรพินให้มันได้อย่างนี้สินะ่าจอมพรานของเราส่วนดารินทำตาเหมือนจากรอนฉันนึกละวว่าคนอย่างคุณน่ะฆาต ก, กรถึงแม้จะไม่ยอมยิงระเบิดคุณก็ลงไปยิงไอ้พวกนั้นจนได้น่ะแหละแล้วคุณก็ต้องยิงดุเดือดยิ่งกว่าพวกเราสิ ขอบใจมากนะที่ช่วยน้องชายของฉันไว้ได้ทันทั้งทั้งที่ดูแต่แรกว่าคุณจะทำงานครั้งนี้ไม่เอาไหนเลยซ้ำตอนที่ฉันจะยิงรหัสเยะคุณยังกระโดดปัดปืนและกระสุนพลาดไปซะอีกเนี่ยทุกคนกินอาหารเสร็จกองทัพประชาชนทั้งหมดมีโอกาสได้พักประมาณช่วโมงเศษรวมทั้งการควบคุมเฉลยไว้มั่นคงเพียงพอด้วยดารินสั่งให้สุกรีกรบุญคา ย้อนกลับไปที่ถ้ำพักกองบัญชาการขนหีบเวชภัณฑ์ของหล่อนมาทั้งหมดและทุกคนก็เข้าประชุมวางแผนอีกครั้งโดยมีเชษฐาเป็นผู้ทาหน้าที่เสนาธิการใหญ่เป็นผู้อธิบายพร้อมทั้งออกคาสั่งเนี้ยทา ย, ายเราจะเคลื่อนพลของเราทั้งหมดบุกเข้าล้อมมรกรนครเดี๋ยวนี้ทั้งทหารมาแล้วก็พลเดินเท้าและจะต้องไปให้ได้ก่อนตะวันตกดินวันนี้นะ ผมพร้อมนะครับอะถ้างั้นก็ฟังให้ดีนะและนำไปบอกกับแม่ทัพนายกองของนายให้อธิบายทหารใต้บังคับบัญชาเข้าใจโดยถูกต้องด้วยเชี่าพูดช้าๆกลางแผนที่ซึ่งบัตรนี้เขายึดติดตัวไว้แผนนั้นออกอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าที่ประชุมทุกคนนี่เอางี่นะเราจะแบ่งกำลังออกเป็นสองด้านโดยกาลังทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามส่วน สองส่วนน่ะเราจะบุกเข้ารายล้อมประตูด้านหน้าไว้อีกส่วนจะดักไว้ทางประตูด้านหลังเมื่อรหัสยะกับสิงหราจะหนีออกทางด้านหลังกําลังส่วนนี้สกัดไว้เฉยๆเผื่อไว้อย่างนั้นแหละแต่เชื่อว่าทั้งสิงหราและรหัสยะอาจไม่ทันหนีออกทางประตูหลังก็ได้พร้อมกับพูดเชิดถาชี้มือลงไปในแผนที่ที่เป็นเขตพระนครกับบริเวณแวดล้อมด้านนอก สำหรับทางด้านหน้านี่นะให้ทหารมาทั้งหมดเตรียมพร้อมโดยพลเดินเท้าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจาไว้นะว่าเราจะเคลื่อนเข้าไปในสภาพปกติตามสบายและให้กําลังทหารมาหยุดอยู่ห่างจากประตูเมืองประมาณร้อยเมตรจำไว้นะแง่ายร้อยเมตรอย่างให้เคลื่อนเข้าไปใกล้มากกว่านั้นแล้วก็หยุดทางฝ่ายฉันจะทาหน้าที่ทาลายประตูเมืองลง ให้ทหารมาทุกคนคอยสังเกตและรอเวลาให้ดีทันทีที่ประตูใหญ่หน้าเมืองพังทลายลงให้นายนํำทหารมาทั้งหมดบุกผ่านประตูเมืองเข้ารบประจันบาลทันทีแล้วก็บุกอย่างเร็วที่สุดเพื่อถึงตัวสิงหราและรหัศยะให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเรื่องนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายละวนายคงรู้หน้าที่ของนายดีนะว่าควรจะทํายังไงบ้างเมื่อประตูเมืองพังลงแนละ้ว จักราศเมมริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงนี่หมายความว่าพวกเจ้านายของผมจะระเบิดประตูเมืองให้พังทลายลงใช่ไหมครับฉันรับรองแง่ทายก็เพียงแค่พังประตูเมืองเท่า น, นั้นแหละรับรองแน่ๆว่าจะไม่ทำลายปราสาทราชฐานหรือแคหะอาคารบ้านเรือนภายในตัวเมืองอีกเป็นนันข่ะไอ้ที่ทาลายประตูเมืองก็เพื่อจะเบิกทางให้นายบุกเข้าไปรบได้ถนัด และรวดเร็วขึ้นก็เท่านั้นแหละท่านนใหญ่จะทํำยังไงล่ะครับจะบุกเข้าไปฝังระเบิดที่ประตูเมืองหรือครับผมรับรองว่ายังไม่ทันจะเข้าไปใกล้ชิดก็จะถูกธนูยิงตายหมดซะก่อนจากทหารที่ประจําอยู่บนเชิงเทินป้อมปราการที่เตรียมรับมือเราอยู่แล้วนะครับเชษฐายังไม่ตอบในขณะนั้นเพียงแต่ยิ้มยิ้มแต่ชายันสกิดถามมาว่า นี่แงทรายนายนลืมกลวิธีเก่าๆของนายใช้แล้วเหรอจักรราชลืมตากว้างนี่นายทหารหมายถึงยิงด้วยธนูติดระเบิดเหรอครับเออเราไม่มีวิธีเลือกอย่างอื่นนี่แงทรายา ย, ยุพ ร, ราชแห่งมรกฎนครจ้องหน้านายเก่าของเขาทุกคนด้วยความพิศวงแต่ผมจำได้นะครับ เพผมหักคันธนูอันนั้นนะ่ะทิ้งไปนานแล้วแล้วพวกเจ้านายจะเอาธนูขนาดใหญ่นะั้นมาจากไหนในเวลานี้ล่ะครับเอหน้าเรื่องนั้นนเะมันหน้าที่ของเราอนุชาตอบพร้อมกับหัวเราะหึ่ในลําคอหน้าที่ของนายนะ่ะก็คือจัดการไปตามที่นายใหญ่บอกพวกเราทั้งหมดจะเคลื่อนตามกําลังของนายไปด้วยในระหว่างบุกประชิดประตูพระนคร แต่เราจะอยู่กองหลังทำหน้าที่บุกเบิกทางไปให้แกกองทัพของนายแต่เห็นประตูเมืองมันปนเป็นผุยผงไปแล้วนายจะเอาทาหารบุกเข้าไปหรือจะยืนดูเฉยๆก็สุดแล้วแต่นายแต่จำไว้นะว่าอย่าเพิ่งเอาทาหารเข้าไปใกล้กว่ารัศมีร้อยเมตรและบอกทาหารทุกคนให้รู้ล่วงหน้าว่าเทพเจ้าจะส่งสายฟ้าลงมาทาลายประตูเมืองให้ ด้วยเสียงที่ดังสนั่นวันไหวเหมือนตอนหน้าผาถล่มทีเดียวแล้วก็ขออย่าให้พวกเราทุกคนตกใจแล้วใครจะเป็นคนยิงธนูและจะยิงในระยะห่างประมาณเท่าไหร่ละครับจักรราชถามมาอย่างไม่ไว้สงสัยออหน้าก็บอกแล้วไงว่านั่นนะมันหน้าที่ของเราเธอในะจงทำเฉพาะที่เราสั่งเท่านั้นแหละมาเรียช่วยพูดมาอีกคนนึ่ง ส่วนดารินเข้ามาตกโปเบาที่ไหลอันกว้างใหญ่นั้นผู้จังปลอบประโลมใจไ่ทร า, ายเธอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นนะเอาเป็นว่าประตูพังเมื่อไหร่เธอก็บุกเข้าไปก็แล้วกันศัตรูสำคัญที่ร่วมมือกันสังหารบิดาและราชวงศ์ของเธอตลอดจนคว่ำบัลลังก์ต้นตระกูลที่ครองมรกฏมานานและยกตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ทรราชกดขี่ประชาชนขึ้นแทนแฝงตัวซ่อนอย่างลำพองใจอยู่ในนั้น เธอคิดว่าถึงยังไงเธอก็ไม่มีโอกาสจะตีครับพระนครได้เธอและกองทัพประชาชนรู้ดีนี่ว่าควรจะทํำยังไงวันเวลาที่เธอรอคอยมานานถึงยี่สิบกว่าปีได้มาถึงแล้วนะคือวันนี้แหละตอนที่ฉันจะยิงรหัสเยะขณะกองทัพม้าแตกในหุบเขาผู้กองยังปัดปืนฉันไว้เลยเขาเก็บรหัสเยะไว้ให้แก่การแก้แค้นของเธอยังไงละ่ะรอ ย, ยิ้มอย่างเยือกเย็น เริ่มปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของจักรราชเขาก้มสีสันลงเอาละครับผมจะไม่ถามอะไรอีกทั้งสิ้นเดี๋ยวจะรอคอยปฏิบัติตามแผนการนี้ครับแล้วก็หันไปยังนายทหารร่วมตายที่ประชุมกันอยู่สั่งการโดยทันทีนั้นยุดสถิตพรหมเมตภายใต้การควบคุมของอรชุนผู้เท่า ถูกสั่งให้แบ่งแยกทหารมาและพลเดินเท้าจำนวนหนึ่งวกอ้อมไปล้อมประตูเมืองทางด้านหลังตัวองค์ยุพ ร, ราชเองวิกรมพ ร, ราหุดและแม่ทัพโจนอีกจำนวนหนึ่งจะคุมกำลังทหารมาและพลเดินเท้าส่วนใหญ่รอคอยอยู่หน้าประตูเมืองเมยานีถูกสั่งให้อยู่ทางด้านหลังพร้อมบิดาด้วยแต่อรชุนทักท้วงขออนุญาตให้ลูกสาวอันเป็นกาลังรบมือดีเยี่ยมที่สุด คอยทำหน้าที่เป็นองครักษ์อยู่ใกล้ชิดเจ้าชายทางด้านหน้าวามิตและทหารมาอีกหมวดหนึ่งจะทําหน้าที่อัญเชิญศพกุฎมะเข้าไปเป็นกองหลังอยู่ในสมรภูมิด้วยและจะนำศพของยอดขุนพลผู้เฒ่ากลับเ ข, เข้าเขตเมืองตามหลังกองทัพเข้าไปสําหรับสุกรีและทหารมาอีกชุดหนึ่งถูกขอไว้ให้อยู่กับฝ่ายเสยนาธิการซึ่งเป็นกองหลังที่สุดโดยมีม้าเตรียมไว้ครบตัว เพื่อให้คณะอาคันตุกะใช้งานได้ทันทีกองทัพประชาชนทั้งหลายร่วมด้วยทหารม้ากองที่หนึ่งของกุตมะผู้ร่วงรับไปแล้วถูกสั่งให้ประชุมพลเป็นกองทัพใหญ่แล้วเคลื่อนที่จากลานทุ่งหญ้านอกหน้าผาบ่ายหน้าเข้าหามรกรนครในบัดนั้นเป็นการเดินทัพอย่างเป็นขบวนหมวดหมู่มีระเบียบวินัยและปราศจากการเร่งร้อนใดๆทางสิ้น เสียงของการญาติราทับสะเทือนกล้องไปทั้งแผ่นดินทางด้านอาคันตุกะกต่างแดนผู้เป็นเจ้านายและเพื่อนพรานของแง่ทรายก็เคลื่อนตามไปเป็นขบวนหลังสุดขณะนั้นตะวันบ่ายแฝงเงาเข้าหมู่เมฆทอแสงสีเลือดแดงฉานจับไปทั่วทั้งท้องฟ้าด้านอันเป็นที่ตั้งของมรกรนคร ซึ่งบัดนี้พร้อมแล้วที่จะรับมือ ก, กองทัพประชาชนภายใต้การนำของจักรราษผู้ขี่ม้าสบับย่างเคียงคู่ไปกับเมยานีครั้งหนึ่งทั้งสองหันมาสบตากันพอดีเมยานีจักรราษกระสิบเจ้ารบหนักมาตลอดทั้งวันเลยนะพี่อยากจะให้เจ้าถอยไปรวมกลุ่มกับคณะเจ้านายของเรา นางยิ้มออกมาจากแกนลึกของหัวใจกระซิบตอบโดยคำสั่งของท่านบิดาเมียนีจะต้องตายให้แก่องค์พระยุพ ร, ราชพคะและจะต้องตายก่อนพระองค์ด้วยหากจำเป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์เทพพินิษดูดวงหน้าของบุตรสาวของผู้นําฝ่ายประชาชนจากห่วงลึกล้าของหัวใจพร้อมกับยิ้มให้น้อยๆ น, นางหลบตาแลไปเบื้องหน้า ลมบายเป่าเส้นผมปลิวสวยเมยานีถ้าจะมีการตายเกิดขึ้นระหว่างเราทั้งสองขอให้เจ้าจำเอาไว้นะพี่ต้องตายก่อนเจ้าแล้วขอสั่งความไว้ด้วยนะการสงครามนะ่ะเป็นสิ่งไม่แน่นอนความเพลียงพลัมอาจเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาสมมติว่าพี่เป็นอะไรลงไป และกองทัพประชาชนชนะจงประกาศให้ทุกคนรู้เถิดว่าผู้ที่จะปกครอง ม, มรกนครต่อไปคืออรชุนบิดาของเจ้าเมยานีหันมาสบตายอีกครั้งสีหน้าของนางเผือดซีดลุกโอ้อย่ารับสั่งเช่นนั้นสิเพคะพระองค์จะต้องชนะศึกในครั้งนี้อย่างเฉียบขาดได้แก้แค้นศัตรูได้ปลดแอกให้แก่ประชาชน แลเรียกร้องเกียรติยศของราชวงศ์เทพกลับคืนมาได้หม่อมชั้นแน่ใจไปคะ่ะแต่ไม่ได้ใจสําหรับตนเองเท่านั้นว่าสึกครั้งนี้จะเหลือชีวิตอยู่เป็นเกือกทองรองบาทของพระองค์ต่อไปหรือไม่พระบิดาสั่งไว้นักหนาให้หม่อมชั้นสละชีวิตป้องกันพระองค์ไว้จนสุดความสามารถและไม่ว่าพระองค์จะเสด็จบุกบันไปทางไหนก็ให้ติดตามใกล้ชิดอย่าให้ห่างตาเป็นอันขาด ใ่บรรดานักรบของเราทุกคนไม่มีผู้ใดที่บิดาจะไว้วางใจมากไปกว่าหมอมฉันอีกแล้วในภาระหน้าที่นี้จักรราชยิ้มอีกครั้งเป็นยิ้มที่อ่อนโยนยิ่งนักมิยานีพี่ขอบใจเจ้าและบิดาของเจ้ามากรวมทั้งกองทัพประชาชนทุกคนด้วยที่ต้อนรับการกลับคืนมาของพี่และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถ้าพวกเจ้าไม่เตรียมกำลังรอคอยไว้ก่อนพี่ก็เหมือนกับคนตาบอดที่กลับมาบ้านเก่าเพื่อยื่นขอให้ศัตรตูตัดพระองค์เพคะกองทัพประชาชนน่ะเฝ้ารอคอยการกลับคืนมาของพระองค์นานแสนานานแล้วนะเพคะและขอกราบพระบาทขออภัยอีกครั้งที่เมญานีแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรต่อพระองค์ณนะวันแรกพบ ทั้งๆ ท, ที่กฎระหนักแน่ชัดอยู่แล้วว่าพระองค์คือจักรราษแท้จริงหาได้มีใครอื่นแปลกปลอมมาไหมมิยานีพี่นะ่ะไม่เคยถือสาขุนคืองเจ้าในครั้งนั้นหรอกแล้วก็เป็นการดีแล้วละ่ะที่เจ้าต้องหาทางพิสูจน์ว่าผู้ที่จะกลับมาปลดแอกให้ประชาชนนะ่ะมีความสามารถหรือไม่เพียงไรถ้าปราศจากซึ่งความสามารถแล้ว เขาก็ไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำของประชาชาติมรกนครทั้งหมดจักรราชกล่าวด้วยเสียงเบาลึกแล้วขอให้เจ้ารู้ไว้ณนะบัดนี้เถนะเมยานีว่าการกลับคืนมาในครั้งนี้ของจักรราชไม่ได้กลับมาเพื่อราชบัลลังหรือความยิ่งใหญ่เหนือคนในแผ่นดินนี้ใดๆทั้งสิน้นแต่กลับมาเพื่อเผชิญหน้าศัตรู และปลดปล่อยประชาชนที่ถูกกดขี่มานานจักอำนาจอาัรรมกลับมาด้วยคำสาบานที่ให้ไวแก่พระสบของพระราชบิดาและพระราชมารดาก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะสิ้นประชนไปคนละลักษณะคนละสถานที่หม่อมชันเข้าใจไปคะแต่ก็ไม่คิดหวังว่าเมื่อพระองค์กรอบกู้ประชาชนได้สำเร็จแล้วพระองค์จะผลัหนีจากพวกเราไป เมยานีกล่าวด้วยเสียงอ่อนเศร้ามองจับมาที่ใบหน้าเกรียมกล้านไปด้วยฝุ่นละอองและคราบโลหิตขององค์พระยุพราชมันก็สุดแต่ประชาชนทั้งหลายนะเมยานีแล้วก็รวมทั้งตัวเจ้าด้วยเท่านั้นว่าปรารถนาจะให้พี่อยู่ที่นี่หรือไม่โถ่พระองค์เพคะทำไมถึงทรงรับสั่งเช่นนั้นละเพคะจักรราชไม่กล่าวเช่นไรในเรื่องนั้นอีกแต่สั่งมาว่า เมยานีขอให้เจ้าจำคำพี่ไว้นะในการบุกเข้าประจันรบซึ่งหน้าจงอย่าประมาทและระวังภัยที่จะมาถึงตัวเองไว้ประการเดียวเท่านั้นเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงพี่เพราะลำพังพี่เองนะ่ะเชื่อว่าพอจะฟันฝ่าพิคาดศึกและเอาตัวรอดได้ใหญพี่ต้องมาคอยกังวลห่วงเจ้าจะทำให้พี่รบไม่ถนัดเพคะเมยาีจะระมัดระวังตนเองให้ดีที่สุด ขอพระองค์อย่าได้เป็นห่วงใดๆทั้งสิ้นเลยไปคะ่ะแล้วนางก็หัวเราะแทรกขึ้นเบาๆสมัยที่สิงหาราขบดต่อราชบัลลังก์และไล่เข็นฆ่าราชวงศ์เทพตลอดจนผู้พักดีจนแทบจะหมดแผ่นดินนะ่ะน่าเสียดายที่หม่อมฉันยังไม่เกิดข่าวคราวต่างๆเป็นสิ่งที่หม่อมฉันมาศึกษาเรียนรู้จากท่านบิดาภายหลังทั้งสิ้นแลวก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยว่า พระองค์จะมีพระชนชีพอยู่รอดตลอดจนขวนกลับมาด้วยบุญญาอภินิหารถึงเพียงนี้สวรรค์ส่งพระองค์ให้มาเกิดเพื่อมรกรนครแท้ๆเหตคะ่ะยุพ ร, ราชแห่งมรกรระบายลมหายใจเฮือกสถานเศร้าเทพเจ้าแห่งมรกรนครประทานความเมตตาให้แก่พี่เฉพาะตัวเท่านั้นแต่หาได้ประทานความเมตตาแก่พระราชบิดา พระราชมารดาและวงสาคนายาตของพี่ไหมราชวงศ์เทพมีพี่เหลืออยู่เพียงคนเดียวนอกนั้นถูกขบุมันสังหารล้างหมดทั้งราชวงศ์พระองค์ไปคะชะตากรรมพรมลิขิตไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้หรอกไปคะก็ดูท่านพ่อกุตามะเป็นตัวอย่างสิเราหลงผิดกันมาเป็นเวลาชานานว่าท่านทรยศต่อราชวงศ์เทพ ละทรยศต่อประชาชนทุกคนแต่ผลสุดท้ายความจริงก็ปรากฏออกมาว่าท่านพ่อกุตมะวางแผนซ้อนกลดไว้ลึกล้ำหนักแล้วรอคอยวันเวลานั้นอยู่นานแสนนานพอๆกับท่านพ่ออรชุนซึ่งแยกตัวออกมารวมกําลังอยู่นอกมืองทว่าในที่สุดท่านผู้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ต่อเราท่านก็จากเราไปซะแล้วขออย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระองค์ หรือท่านพ่ออรชุนของหม่อมฉันอีกเลยนะเพคะก็แล้วถ้ามันเกิดนะเจ้าจะทำยังไงเมยานีหม่อมฉันตอบไม่ถูกแล้วเพคะพี่จะตอบให้นะเมยานีราชวงศ์เทพจะต้องเปลี่ยนใหม่และผู้ที่จะครองบัลลังก์สืบต่อไปก็คือเมยานีจอมจักรพรรดินีแห่งมรกตนคร เพราะนอกจากพ่อของเจ้าแล้วก็ไม่มีใครเหมาะสมที่จะปกครองแผ่นดินได้ดีไปกว่าเจ้าอีกแล้วพระองค์เพคะถ้ามันเกิดขึ้นเช่นนั้นจริงหมายถึงสิ้นท่านพ่อสิ้นพระองค์หม่อมฉันจะเอาหอกเสียบอกตัวเองหรือมิฉนั้นก็กระโจนเข้ากองไฟและนี่คือสัจจปฏิญาณเพคะกองทัพจั ก, กรราช เคลื่อนใกล้กำแพงพระนครเข้าไปเป็นลำดับอรชุนแบ่งกำลังไปแล้วเพื่อโอบล้อมและบุกทะลวงเข้าทางประตูหลังกำลังส่วนใหญ่อันประกอบด้วยพลเดินเท้านับหมื่นขยายแถวเป็นรูปปีกาโอบเข้าหากำแพงเมืองทุกด้านชนิดที่จะไม่ยอมแม้กระทั่งแกะหรือแพะซักตัวเล็ดลอดออกมาจากเขตเมืองได้โดยไม่เห็นส่วนกองทัพม้าเป็นกำลังส่วนใหญ่ บ่ายหน้าตรงเข้าหาประตูเมืองการเคลื่อนพลเคลื่อนไปอย่างเยือกเย็นแช่มช้าปราศจากการรีบร้อนใดๆทั้งสิน้นตลอดทั้งท้องทุ่งชนบทไฟสารโดยรอบกำแพงเมืองบัดนี้แลดูดำมืดสะพรึบพร้อมไปด้วยกำลังพลที่ดาหน้าเข้ามาไม่มีเสียงโหรองหรือสรรพสำเนียงอันแสดงถึงความฮึกเหิมใดๆทั้งสิน้น แต่ก็แน่วแน่และมั่นคงยิ่งในเจตนาที่จะขยี้ศัตรูฝ่ายทรราชให้ละเอียดเป็นผุยผงสาสมกับที่ถูกกดขี่บีบคั้นมาเป็นเวลานานราษฎรทุกบ้านเรือนไม่ว่าจะอยู่ในชนบทแห่งใดเคลื่อนกําลังเข้ามาสมทบจนหมดสิน้นกําลังฝ่ายประชาชนมีจำนวนมากกว่าที่ตั้งรับอยู่ในกาแพงเมืองเสียแล้วจักขวัญกาลังใจ และการปลุกระดมของหน่วยกองโจรที่แพร่สะพัดข่าวออกไปตามแผนของเสนาธิการใหญ่เชิดาซึ่งกำหนดไว้ศพของกุตมะบรรทุกอยู่ในกุญเยนเคลื่อนช้าๆไปเบื้องหน้าของกำลังหนุนส่วนท้ายแวดล้อมไปด้วยทหารมากองเกียรติยศโดยคำสั่งของจกักรราชกุตมะจะต้องบุกผ่านประตูเมืองเข้าไปด้วยแม้จะหาชีวิตไม่แล้วก็ตา มาของฝ่ายประชาชนอันเป็นพาหะเคลื่อนที่เร็วและได้ผลที่สุดในการจู่โจมทวีเพิ่มขึ้นเป็นสองกองพลอันเนื่องมาจากยึดได้จากทหารของฝ่ายพระนครที่ยอมจำนนในหุบผามรณนะฝ่ายที่เป็นเสนาธิการอันได้แกอาคันตุกะต่างแดนซึ่งไม่คาดฝันมาก่อนว่าตนเองจะต้องเข้ามาร่วมอยู่ในสงครามในอาณาจักรโบราณที่ซ่อนเร้นอยู่ในหุบเขาพระศิวะ เคลื่อนตามมาเป็นขบวนหลังล่าสุดคันธนูและดอกศรติดระเบิดไนโตรระเรียมไว้พร้อมสับแล้วระยะยิงจะกระทําในระยะประมาณ150เมตรโดยจะยิงข้ามศีรษะทหารมาส่วนหน้าที่สุดเข้าหาประตู ก, กำแพงมือไม่มีใครพูดอะไรกันมากเพราะต่างอยู่ในอารมณ์เครียดและหัวใจอันสั่นระทึกยิ่งใกล้เข้ามา ก็ยิงเห็นทหารฝ่ายพระนครจุกช่องบนป้อมปราการและเหนือกำแพงเต็มไปหมดทุกด้านทหารเหล่านั้นใช้ธนูเตรียมสกัดกั้นการบุกเข้าปีนหรือทำลายประตูเมืองอันแข็งแรงโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าสิ่งที่จะทำลายประตูเมืองนั้นหาใช่ท่อนสุงที่รีพลฝ่ายตรงข้ามจะนำเข้ามาเป็นเครื่องมือกระทุ้งไม้โดยกล้องสองทางไกลของฝ่ายอาคารตุ ก, กะต่างแดน ที่สองสำรวจไปยังกำแพงสูงตั้งตระงานเป็นทิวนั้นสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายพระนครบนเชิงเทินอย่างเห็นชัดมีแม่ทัพนายกองขึ้นตรวจราบงการอยู่ทุกจุดและดูเหมือนจะเห็นสิงหราและรหัสเยะผู้น้องขึ้นตรวจพ้รบนั้นอยู่อย่างแข็งขันด้วยประเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยววิ่งกันขี่ขึ้นไปอยู่บนหัวขมองละ่ะ ใช้ยันคำรามออกมาอย่างมันเขียวพร้อมกับหัวรอหึดในลำคออดีตนตายทหารปืนใหญ่ผู้ชำนาญในวินาสกรรมตั้งสายชนวนของลูกธนูที่มัดติดระเบิดไว้ยาวเป็นพิเศษกะระยะประมาณเกือบหนึ่งนาทีก่อนที่มันจะระเบิดเพราะระยะยิงห่างออกมามากครูใหญ่ต่อมาธงเหลืองตามสัญญาณที่นัดแนะไว ก็ถูกโบกมาจากกองทัพมาด้านหน้าสุดอันมีจักรราชเป็นผู้นำเพื่อบอกไฟหลังให้ทราบว่าได้หยุดพลชงักลงแล้วเชษฐาก็สั่งให้โบกธงเขียวตอบรับทราบว่ากำลังดำเนินการเขาสั่งให้ขบวนของพวกตนทั้งหมดเคลื่อนตามหลังกองมาเข้าไปจนได้ระยะประมาณ150เมตรแล้วบอกกับน้องชายและทุกคนว่าเอาละ วางฐานจรวดได้แล้วทุกคนในพรรคกระโดดลงมาจากหลังม้าโดยเร็วอนุชาวราริษกับนานอินเดินสำรวจหาที่ปักหลักเพื่อมัดคันธนูทันทีแล้วก็หาที่เหมาะบริเวณหนึ่งเป็นดินนาซึ่งแข็งพอสมควรเขาสั่งให้สุกรีและพวกที่ติดตามมาดำเนินการปักเสาต้นเรื่องลงสองเสาในทันทีนั้นโดยเว้นระยะทั้งสองต้น ห่างกันเพียงฟุตเศษโดยขุดให้ลึกและปักเสาให้แข็งแรงที่สุดทุกคนเข้ามายืนล้อมดูอยู่โดยยังไม่ทันสังเกตอะไรทั้งสิ้นแต่พอเสาปักเสร็จเรียบร้อยเจษฐาดารินชา ย, ยันและมาเรียก็มองเห็นถึงความผิดแพลกไปอย่างที่เคยพูดตกลงกันไว้อย่างเด่นชัดเฮ้ยกลางชา ย, ยันร้องลั่นออกมาอย่างงงๆ ธนูยักษ์คันนี้นะ่ะมันยาวตั้งเกือบสองเมตรนะแล้วแกบอกว่าจะปักเสายึดปลายคันธนูทั้งสองด้านไว้แต่นี่ทําไมถึงปักเสาห่างกันเพียงแค่ฟุตกว่าๆเท่านั้นวะอนุชาวราริตยิ้มแห้งๆแล้วพยักหน้าไปทางระพินกนันอินฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะอ่ะลองถามพรานใหญ่กนันอินดีกว่าว่าทําไมถึงต้องปักเสาแบบนี้ ไอ้ความเข้าใจแต่แรกของฉันที่อธิบายพวกเราฟังนะ่มันผิดข้อเท็จจริงว่าถ้าขืนตักเสาห่างเพื่อมัดปลายคันธนูทั้งสองด้านอย่างที่ฉันบอกไว้แต่แรกไอ้ที่จะกลายเป็นผงคงไม่ใช่ประตูเมืองรอกแต่คงเป็นพวกเราทั้งหมดรวมทั้งกองทัพมาของแง่ทรายด้วยทุกคนทำหน้างงหันไปมองระพินและหนานอินเป็นตาเดียวแต่บักนั้นเอง เชษฐาผู้มีเชาวไวที่สุดในเรื่องนี้ก็พอจะมองเห็นอะไรขึ้นมารางๆทำปากหมุบหมิดเหมือนจะพูดอะไรอยู่กับตนเองและทำมือเป็นรูปคันธนูเดินเข้าไปเทียบกับสองเสาที่ปักไว้จากนั้นก็ร้องลั่นออกมาอีกคนจริงด้วยสิหลักจะปักยึดปลายธนูทั้งสองด้านไม่ได้เพราะจุดศูนย์กลางของคันธนูนะ่ะมันอยู่กึางกลางปลายทั้งสองนะ่ะมันมีหน้าที่โน้มหลังในขณะดึง เพื่อจะเป็นแรงดีดส่งเมื่อปล่อยสายตะขืนยึดติดหลักในส่วนปลายไว้ทั้งสองด้านแล้ธนูจะเอากําลังส่วนไหนมาดีดส่งลูกในเมื่อบริเวณที่จะต้องใช้แรงดีดส่งน่ะมันถูกมัดตายใชและ้วจะกลายเป็นว่าเราดึงเสากระสายธนูเท่านั้นไม่ได้ดึงคันธนูให้โน้มหลังว้าอีตอนกลางบอกครั้งแรกเราก็ปล่อยเออ อ, อ, อไปด้วยลืมนึกถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ไป เลยไม่มีใครทวงสักคนร บ, บินเองก็ไม่เห็นพูดอะไรนอกจากจะพยักหน้ารับหลักการของกลาง อ, อแล้วนี่ยังไงมาไหวทันกันตอนไหนละเนี่ยน้องชายคนกลางอดีตคนสาบศูนย์คงยิ้มแห้งๆอยู่เช่นนั้นบอกอ้อมแอมว่าผมก็เสิร์ฟไปถนัดใจครับเพิ่งจะมารู้เอาเมื่อคืนนี่เองนะครับนันอินทำธนูเล็กๆจาลองให้ผมดู แล้วอธิบายให้ทราบว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะผมมองเห็นจากคุณจำลองที่หนานอินทําให้ดูก็เลยนึกออกแต่ถึงหนานอินจะไม่ทวงนะครับเวลาเรามาปักเสาเข้าจริงเราก็ต้องรู้เองนะครับเพราะอีตอนดึงสายนะี่มันจะฟ้องชัดทีเดียวแต่ถ้าไม่รู้สั ก, ก่อนก็จะเสียเวลาต้องขุดหลุมเลื่อนเสากันใหม่ดารินชา ย, ยันและเมยอุทานแซบในลําคอแล้วพากันหัวเราะด้วยความขบขัน ราชสกุลสาวหันมาทางจอมพรานของหล่อนทันทีนี่ทำไมคุณถึงไม่บอกพวกเราหรือทวงพี่กลางซะแต่แรกตอนที่เขาอธิบายถึงวิธีปักละ่ะระพินผมก็นึกไปไม่ถึงเหมือนกันนะครับคุณหญิงพรานใหญ่ตอบยิ้มยิ้ ม, ยมอย่างสงบไม่จริงหรอกระพินน่ะเขารู้ดีแต่อาจเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกในเวลานั้นก็เลยเฉยเฉยซะพอเวลามาปักเสาก็จริงๆก่อนยิง หากเราปักผิดหลักเขาก็จะต้องทวงเองนั่นแหละอนุชาวราฤทธิ์บอกมาทันทีหัวรอกขันตัวเองและบงการให้หนานอินกสุกรีช่วยกันใช้เชือกผูกมัดส่วนกลางของคันธนูติดกหลักทันทีระยะช่องว่างระหว่างเสาเป็นระยะที่วางพาดของดอกธนูตลอดเวลาเชษฐาชายันและระพินคอยยืนดูอยู่อย่างใกล้ชิดและคอยช่วยกันให้คาแนะนา ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครอสโบของอนุชาก็สำเร็จเรียบร้อยลงพวกสุกรีอันเป็นชาวมรกตนาครพากันจับกลุ่มยืนมองอย่างสนใจยิ่งทุกคนรู้ว่าโดยลักษณะนั้นธนูจะต้องถูกดีดส่งออกไปด้วยพลังสูงมากแต่ไม่เข้าใจนักว่ามันจะเป็นธนูสายฟ้ามีอิทธิฤทธิ์ไปได้ในลักษณะไหนทุกคนเตรียมตัว เชียาออกคำสั่งดังลั่นเราจะเริ่มทดลองเดี๋ยวนี้นะตามลำดับสามขั้นดอกแรกที่สุดจะเป็นธนูเปล่าๆผูกติดเฉพาะสารของแงซายยิงข้ามเข้าไปให้ตกอยู่ในเขตเมืองเพื่อให้ประชาชนได้เห็นสารและให้อยู่ในอาการสงบโดยไม่พยายามทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของทหารหลุงเขาประกาศช้าๆ ทุกคนฟังอย่างระมัดระวังลูกที่สองเราจะเอาธนูทดลองโดยติดน้ำหนักเข้าที่บริเวณส่วนปลายเป็นน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับธนูติดระเบิดและยิงหมายไปที่บานประตูเมืองว่ามันจะปักลงตรงเป้าหมายหรือไม่ถ้ามันได้ผลอย่างที่คิดไว้ลูกที่สามนะ่เราจะยิงของจริงกันละอ่ะสุครี โบกธงแดงเป็นสัญญาณไปยังกองทัพมาสวนหน้าเดี๋ยวนี้เพื่อเตือนให้องค์พระยุพราชทรงทราบว่าเราจะเริ่มงานกันเดี๋ยวนี้ล้วสุกรีสั่งให้คนโบกธงแดงขึ้นสูงทันทีแล้วก็บกกันต่อๆไปจักรราชให้โบกธงแดงตอบมาแล้วตะโกนสั่งทหารกองทหารระวังโัวเตรยมพรพยายามบังคับม้าไว้ไม่ให้ตื่น และอย่าให้แตกกระจายเสียกระบวนออกไปถ้าประตูพังทลายลงเมื่อใดทุกคนตามเข้ามาเราจะพุ่งเข้าพระนครทันที